ต่อนี้ไปใะ้พากันตั้งใจการตั้งใจการทําความดีนี่มันยากพระพุทธเจ้าเปรียบไว่เาเหมือนกลิ้งครกครกขึ้นไปบนภูเขาการกลิ้งครกขึ้นไปบนภูเขามันยากขนาดไหนอ่นี่ ้องคิดดู เ, เพราะการทำความดีเนี่ยมันยา ก, กนะคนใจรอแหละเร็วไหลมันจึงทำไม่ได้คนทำความดีได้ล้วนแต่มีใจเข้มแข็งกล้าหารกล้าสละความชั่วออกไปได้ ถ้าไม่สละความชั่วออกไปก่อนมันก็ทำความดีไม่ได้เพราะดีกับชั่วมันเป็นศัตรูกันใครมีกำลังเหนือกว่ากันมันก็เอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งได้ต้องสังเกตด้ว ย, ยกตัวอย่างให้ฟังเช่นเมื่อความหมั่นความขยันเกิดขึ้นมา แล้วอย่างนี้ความเกียดคร้านมันก็หายไปนี่ความง่วงเหงาเหานอนก็หายถ้าหากว่าความเกียดคร้านเกิดขึ้นมาแล้วความง่วงเหงาเหานอนอะไรมันก็มีมานั่นความมันขยันก็หายไปลองสังเกตดูสิดีกับชั่วมันเป็นศัตรูกันอย่างนี้แหละ ทีนี้จิตใจของบางคนน่ะมันไปยินดีชอบพบกับความชั่วคือกิเลสเบง่ยนบางคนก็เห็นโทษของกิเลสแล้วก็ทำความพอใจในบุญกุศลทำความพอใจในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายินดีปฏิบัติให้ตรงไปตามพระธรรมนั้น อั น, นเมื่อรู้ว่าทำอย่างนั้นมันผิดธรรมขัดต่อธรรมะแล้วก็ไม่ทำดัดจริตนิสัยของตนให้มันตรงไปตามธรรมะนี่เรียก ว, ว่าผู้ใคร่ในธรรมเป็นผู้เจริญให้พากันเข้าใจชีวิตจิตใจอันนี้เนี่ยมันมีศัตรูอยู่ ต่นิ่งนอนใจไม่ได้เลยคนไม่รู้จักศัตรูของตัวเองนั่นแหละมันถึงได้จมอยู่ในทุกข์จึงทำความดีให้ก้าวหน้าไปไม่ได้เลยศัตรูคือกิเลสมันก็ฉุดคล้าให้ตกต่ำลงไปขี้เกียดขี้คล้านทำความดี อีเกียดฝึกตนเห็นแต่แต่กินเห็นแต่แก่นอนเห็นแต่แกเล่นถ้าได้เล่นแล้วสนุกสบายดีแคนประมาทเป็นอย่างไงคนผู้ฝักไฟในทางชั่วคนผู้ฝักไปในทางดีแม่จะเผลอไป ในทางไม่ดีมันก็ตื่นตัวได้รู้ตัวเบื่อต่อการเล่นการหัวการทำในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์รีบ ร, รีบกลับมาทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ออคนผู้ที่มันจะเจริญก้าวหน้าได้มันเป็นอย่างนั้นแม้ว่าจะถลํมเข้าไปในทางไม่ดีอยู่บ้างก็ไม่ไปไม่นาน รู้ตัวได้กลับจิตได้ในธรรมดาคนธรรมดาสามัญ น, นี่อันจะไม่ให้มันพลั้งเผลอหรือว่าตกไปอยู่ใต้อำนาจของกิเลสเสียเลยนะมันไม่มีหรอกไม่ได้มันก็ต้องมีแต่ว่าผู้ใดที่จะเป็นผู้ก้าวหน้า หรือเอาชนะกิเลสได้มันก็ต้องเห็นโทษของกิเลสล่วงหน้าไว้ก่อนเพียงกั น, นบางคนไม่ได้เห็นโทษของกิเลสเลยนะผู้เช่นนั้นะราลกกิเลสไม่ได้เลย mm. ผู้จะลากกิเลสได้มันต้องเห็นโทษของกิเลสนั่งภาวนาและพิจารณาดูราคะความกำหนัดยินดีเนะี่ยมันให้โทษอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น เนี่ยมันต้องตรีตรองให้มันเห็นโทษของราคะตัณหานั้นด้วยตัวนิงเนยเมื่อมันเห็นโทษอย่างนั้นนะมันก็ไม่ส่งเสริมราคะตัณหานั้นมีแต่ตัดทอนมันลงไปเพียรพยายามละความวิตกวิจาร์ไปในทางนั้นอย่าให้ความวิตกวิจาร์เช่นนั้นเกิดขึ้นนั่นผู้เห็นโทษนะ เพราะราคะตัณหามันเกิดจากความคิดไม่ใช่เกิดมาจากอย่างอื่นเมื่อมันคิดพอใจในสิ่งนั้นขึ้นมาแล้วมันก็ความความรักความใครมันก็มีกำลังแรงกล้าขึ้นไปโดยลำดับถ้าไม่หยุดคิดอ่ะเป็นอย่างนั้นะบางคนก็ไปทำความชั่วแลลว ถ้าเป็นนักบวชก็ไปทำผิดวิตในยอย่างร้ายแรงถ้าเป็นรคฤหัดก็ไปประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมทำชู้จากเมียทำชู้จากผัวนี่เป็นอย่างนี้ในโทษของราคะตัณหาเนะ่ะมันต้องพิจารณาให้มันเห็นเมื่อพี่นาเห็นแล้วมันก็บรรเทาลงได้ แม้โทสะก็เหมือนกันนะคนส่วนมากนะ่ะมันนิ่งนอนใจอะ่ะมันไม่ได้นั่งนึกตึกตรองพิจารณาถึงความชั่วที่มีอยู่ในตัวความโกรธมีอยู่ก็ปล่อยให้มันมีอยู่นั่นเมื่อเวลามันยังไม่มีอารมณ์ชั่วมากระทบกระทั่งเข้ามันก็ยังไม่เกิดขึ้นดูเหมือนคนเป็นคนใจดี คนใจบุญวเวลามีเรื่องชั่วกระทบเข้ามาแล้วความโกรธนี่นมันตื่นตัวแหลอมันกำเริบขึ้นมาวันนี้ไม่ใช่เป็นคนใจดีแล้ววันนี้กลายเป็นคนใจดุร้ายไปนี่เราต้องสังเกตดูที่ไห่ว่าคนอื่ น, นตัวเราเองแต่ละคนนี่นะมันมีศัตรู เมื่อเมื่อสู้กับศัตรูไม่ได้มันก็ตกอยู่ใต้อำนาจของมันก็ต้องประพฤติไปตามมันนี่มันเป็นอย่างนั้นอันนี้ผู้ใดามาเห็นโทษเร่องความโกรธนั้นแล้วก็พยายามสำรวมระวังจิตใจตัวเองเสมอเสมอคอยระมัดระวังอารมณ์ที่ไม่ดีต่งตางๆมันกระทบกระทั่งม า, ารู้เท่าเอาทันไม่ยึดไม่ถือเอาไว้ กำหนดละทิ้งไปเลยอย่างนี้ความโกรธมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะมันไม่มีเชือ้อ <c oughs> นอกจากความระวังจิตใจอย่างว่านี่เราก็เจริญเมตตาให้มากๆแต่ละวันแต่ละคืนก็เคยแสดงเรื่องเมตตาเนี่ยมาบ่อยๆเพราะว่ามันเป็นคุณธรรมสำหรับบัรเทาความโกรธ ค, ความพยาบาท ถ้าไม่แสดงอย่างนี้แล้วมันก็แห้งไกลอ่ะไกลอุบายที่จะมาละความโกรธความวบาวันนี้ไปเรื่อยๆดังนั้นนะจึงพยายามชี้แจงให้ผู้ฟังได้เห็นความสำคัญของเมตตาธรรมกรุณาธรรมนี้ให้มากๆถ้าผู้ใดเมินเฉยนะไม่ไม่นึกถึงเมตตาธรรม ไม่โน้มเมตตาทำให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนแล้วความโกรธมันก็เป็นเจ้าเป็นใหญ่อยู่ในหัวใจเลยแบบนี้น ะ, ะเพราะว่าเมื่อมันพอใจในความโกรธแล้วมันก็ทิ้งเมตตากรุณาหมายความว่าอย่างนั้นมันจะไปอยู่ร่วมกันไม่ได้หรอกกิเลสกับคุณธรรมเนี่ยถ้าอย่างหนึ่งเข้าไปอยู่แล้วอย่างหนึ่งก็ต้องถอยออกไปออ น เ, นเมื่อผู้ใดพอใจในเมตตากรุณาธรรมแล้วก็มันนึกมันเนาะเมตตาธรรมนี้ให้เกิดขึ้นในใจเสมอเสมอไปแหละไอ้ความโกรธมันก็ห่างออกไปแล้ววันนี้ถอยออกไป <c oughs> พร้อมทั้งมีสติสัมปชัญญะระมัดระวังเรื่องชั่วมันจะกระทบกระทั่งมาประกอบกันไปด้วย <c oughs> มีคุณธรรมประจำใจด้วยอย่างนี้นะ เช่นนี้แล้วมันก็บรรเทาความโกรธได้จริงๆนี่ให้พากันเข้าใจคนส่วนมากมันมันนอนใจอ่ะมันประมาทเมื่อมันไม่มีเหตุอันชั่วกระทบกระทั่งมานึกว่าตนดีตนเป็นคนใจดีก็มีแต่เพลินเลยไปอ่ะไม่ได้นั่งสงบจิตเพ่งพินิษพิจารณาดู กิเลสในใจอันนี้มันมีอยู่หรือไงไม่ได้ทบทวนเมอเมื่อ <c oughs> มันเชื้อของกิเลสอันนี้มันกระทบกระทั่งมานอนบนันนี้กิเลสมันลุกขึ้นมาจึงได้รู้ตัวพอ ร, รู้ตัวที่ไหนมันสายแล้วแก้ไม่ตกแล้ว <c oughs> ต้องได้ไปต่ออำนาจของมันนี่แหละคนเรามันจะทะเลาะวิวาทผิดเถียงกัน ก็เพราะว่าต่างคนต่างประมาทอย่างว่านี um ่นะไม่ระมัดระวังจิตใจตัวเองเวลาได้กระทบเรื่องไม่ดีขึ้นมาแล้วเอางุดงิดขึ้นมาแล้วก็เป็นเหตุให้ทุ่มเถียงกันใช้วาจาเสียบแทงซึ่งกันและกันไปอย่างนี้นะมันก็กลายเป็นทะเลวิวาทแตกสามัคคีกันไป ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกตัวได้สังรวมตนมาอย่างนี้เห็นโทษถึงความโกรธอย่างอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่เห็นแต่โยนความโกรธมาให้อย่างนี้ฝ่ายที่เห็นโทษถึงความโกรธนี่มันก็ไม่รับเอาห้ามจิตตัวเองไว้ได้ไม่ยึดเอาความโกรธที่เขาหยิบยื่นให้ความโกรธนั้นมันก็หายเข้ากลีบเมฆไปเลย เรื่องต่างๆมันก็สงบลงเหมือนไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยวะนี้อ่มมันต้องอย่างนี้ผู้ปฏิบัติในพุทธศาสนาเนี่ยต้องให้ละเอียดละออลงไปอย่าไปทําลวกๆทาอะไรนะอืเพราะว่ากิเลสมันมีทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดก็อย่างที่เคยพูดมาแล้ว เมื่อละอย่างหยาบได้มันก็ยังอย่างกลางบัดนี้อันนี้อย่างกลางนี่มันเป็นใกความคิดมันไม่ได้ถึงกับว่าไปแสดงออกทางกายทางวาจาให้เข้าใจส่วนอย่างหยาบนั่นนะเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตใจแล้วมันแสดงออกทางกายทางวาจาทางกายเช่นฆ่าสัตว์อย่างเงี้ย หรือว่าไม่ถึงค่าก็ทุบตีหรือไม่ถึงบรลานซก็สแสดงกิริยาหยาบโลนทําท่าจะทุบจะตีคนอื่นอะไรทํานองนี้นะอันอแล้วก็ไปดื่มเหล้าเมาสุรามันก็เอากายนี่นะไปทํานะเอาปากนั้นนะ่ะดื่มเข้าไปอืมปากมันก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายอันนี้ <c oughs> พูดถึงกิเลสยังหยาบมันมีอย่างนี้นี่ทีนี้ทางวาจาบ่เนี่ทางวาจานี่ก็เมื่อความโกรธมันเกิดขึ้นแล้วมันก็แสดงวาจาหยาบโลนต่างๆนานาออกไปทิมแทงจิตใจผู้อื่นให้เจ็บอกเจ็บใจหรือมิฉะนั้นก็พูดเท็จออกไปโดยจงใจทีเดียว ในเมื่อความโกรธมันหนาแน่นขึ้นแล้วมันไม่กลัวแล้วมันไม่กลัวบาปกมอะไรเลย อ, ะอ่ะมันเป็นอย่างัน้นี่ประเภทของกิเลสที่หยาบหยบ อ, อีกอย่างหนึ่งก็ไปประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมก็กายนั่นแหละทำมา น, <c oughs> นี่เรียกว่าใจมันสร้างกิเลสอย่างหยาบให้เกิดขึ้น มันแสดงว่ามันละกิเลสอย่างหยาบในหัวใจไม่ได้มันจึงได้ทำชั่วด้วยกายด้วยวาจาทีนนี้ส่วนกิเลสอย่างกลางเนี่ยหรือที่ท่านเรียกว่านิวรณ์ห้านี่เช่นความรักอย่างนี้มันก็เพียงแต่คิดขึ้นในใจเฉยแต่มันไม่ถึงกับไปแสวงหาทางกายทางวาจาพูดมายาสาไถอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะ ไม่ไม่เป็นเป็นได้เพียงความคิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นในใจเฉยๆต้องให้เข้าใจลักษณะอาการของกิเลสความโกรธความปัญญาตกก็เหมือนกันนะเพียงแต่คิดอยู่ในใจคุณใจอยู่ในภายในใจเฉยไม่ถึงกับแสดงออกทางกายทางวาจาแล้วก็ความง่วงเหงาหาวนอนมุนี มันก็มีแต่ ง, ง่วงเหงาเานอนไม่ได้ไปเบียดเบียนใครอันนี้น่ะ อ, ะอะแล้วความที่จิตฟุ้งซ่านลําคาญหมู่นั่นก็มันมันจะเป็นแต่คิดลอยๆไปอย่างนั้นเฉยๆไม่ถึงกับว่าจะคิดไปฆ่าไปเบียดเบียนใครต่อใครอืมอย่างรุนแรงเหมือนอย่างกิเลสชั้นหยาบๆนั้นอย่างงี้นะ คิดลอยๆเสียใจไปบ้างดีใจไปบ้างคิดไปแต่ไม่ถึงกับลงมือจะไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้เนี่ยจิตฟุ้งซ่านไอ้กิเลส อ, อย่างกลางนี่นะขนาดนั้นนะเนี่ยแต่ความสงสัยลังเลในเรื่องบาบุญคุณโทษต่างๆวมนนี้ก็มันก็สงสัยไปอยู่งั้นเนี่ยแต่ไม่ถึงกับว่าปฏิเสธ ว่าบาปไม่มีบุญไม่มีไปเสียเลยเพียงแต่แค่สงสัยเมื่อได้ไทยถามท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านผู้รู้ได้ชี้แจงเหตุผลต่างๆให้ฟังเข้าใจได้แล้วก็หายสงสัยไปหรือมิฉะนั้นตัวเองก็สามารถแก้ความสงสัยตัวเองได้โดยน้อมเอาธรรมะที่ตนเรียนมานั้นมาเทียบกับความคิดเห็นของตน เมือ่อเมื่อความเห็นล่งต้นไม่ตรงต่อธรรมะที่ถูกต้องนั้นแล้วก็แสดงว่าความเห็นลงต้นใช้ไม่ได้มันก็ละความเห็นผิดอันนั้นเสียงมาดํานดเนินตามความเห็นที่ถูกต้องตามดำนองของธรรมไปความสงสัยมันก็หมดไปอย่างนี้กิเลสอย่างกลางนะให้เข้าใจท่านว่าต้องระ ง, งับด้วยสมาธิกล่าวไว้คำ ว, ว่า เมื่อเราเห็นโทษแห่งนิวรณ์ที่มันเกิดขึ้นครอบงำจิตใจนั่นแล้วก็หาทางระ ง, งับเอนิวรณ์อย่างนั้นที่มันเกิดขึ้นในใจนั่นหาอุบายระ ง, งับไปอย่างที่ดีแนะนํามานี่นะเมื่ออุบายธรร ม, มะมันเกิดขึ้นในใจมันมันเป็น ธรรมะอันเป็นเครื่องระ ง, งับกิเลสอย่างนั้นโดยตรงเลยอย่างนี้นะเมื่อมันเกิดขึ้นในใจในขณะนั้นแล้วไอ้ไนิวรณ์ข้อนั้นเนี่ยมันก็ระ ง, งับไปเมื่อนิวรณ์อันนั้นระงับลงไปแล้วใจมันก็สงบเป็นสมาธิลงนี่แต่ท่านเรียกว่าการระ ง, งับนิวรณ์ต้องระ ง, งับด้วยสมถะคือ เพ่งใจให้สงบลงไปออไม่ต้องี่ตกวิจารณ์อะไรให้มากมายต่อไปทีนี้เมื่อนิวรณารธรรมอันเป็นกิเลสอย่างกลางนี่มันสงบลงไปมันก็ยังเหลืออยู่กิเลสอย่างละเอียดที่ท่านเรียกว่าอนุไส มันนอนนิ่งอยู่ในจิตใจนั่นแหละใจสงบอยู่มันก็สงบอยู่กับใจนั้นมันยังไม่แสดงอะไรออกมานี่มันเป็นอย่างนั้นทีนี้ต่อเมื่อจิตนั้นถอนจากสมาธิแล้วละเอียดอยางละเอียดแล้วมันจะกโรโโพอขึ้นมาอมันเป็นอย่างนั้นพอมันโผล่ขึ้นมาเราก็เจริญปัญญาต่อวันนี้นะ่ะ เช่นเช่นความรักอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นเบาๆบางทีแทบจะไม่รู้เรื่องเลยก็มีถ้าไม่พิจารณาให้ละเอียดความชังก็เหมือนกันนะกิเลสทัานละเอียดเป็นอย่างต้องอาศัยปัญญาอันละเอียดมันจึงมองเห็นได้ปัญญาอันละเอียดจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะอาศัยสมาธิ <_: S 1> เมื่อเราทำสมาธิให้แน่วแน่ลงไปเท่าใดปัญญาอันละเอียดมันก็ย่อมเกิดขึ้นเท่านั้นก็เห็นกิเลสอันละเอียดได้เมื่อเห็นมันได้ก็ละมันได้แต่ว่ากิเลสอันละเอียดนี่มันเหนิวแน่นจริงๆ <c oughs> มันจะต้องเป็นอรหัตตมักอรหัตตะผลนนตัดขาดไปเลย มันเป็นอย่างนั้นถ้ายังไม่ถึงอรหัตตมักอรหัตตผลแล้วมันก็ต้องมีอยู่งั้นแหละแม้จะได้บรรลุมรรคขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามไปอย่างนี้ไอ้กิเลสชั้นละเอียดเนี่มันก็ยังมีอยู่ตามอริยมรรคนั้นนั้นแหละเพราะอริยมรรคนั้นยังตัดไม่ขาดมันก็มีอยู่แต่มันไม่ถึงกับว่า จะไปให้จิตใจเป็นทุกข์เดือด ร, ร้อนเอาอย่างรุนแรงกิเลสท่านละเอียดน่ะมันจะเป็นเพียงอะเครื่องใจมันคล้องอยู่ในอารมณ์มันหลุดไปไม่ได้มันเพียงแต่คล้องอยู่เท่านั้นเองนะมันหลุดจากวัฏฏะวนนี้ไปยังไม่ได้เลยถ้ามันกิเลสละเอียดอันนั้นมันก็ยังอยู่อย่างนี้นะ ดังนั้นพระพุทธเจ้าทังสอนให้ใช้อุบายปัญญาแพ่งพินิพิจารณาให้มันละเอียดและออกเข้าไปอย่าไปนิ่งนอนใจ ม, นมคนผู้นี้ยังนอนใจมนใหมายความว่าเมื่อภาวนาลงไปจิตใจมันสงบลงสงบลงไปแล้วก็ ยู่กับความสงบนั้นไม่ไม่คิดไม่วิจาร์อะไรนันแะไม่แยกแยะอะไรให้แจ่มกระจ่างขึ้นให้เข้าใจแบบนี้เรียกว่ามันไม่มีทางที่จะกำจัดอนุสัยกิเลส อันนอนนิ่งอยู่ในจิตใจนั้นได้เมื่อใจมันสงบลงไปแล้วอย่างนั้นเราก็สังเกตดูจิตนี้ว่ามันสงบจริงโดยที่เราไม่ต้องได้ข่มมันไว้เลยอันธรรมดาใจที่มันสงบมัน ว, า, วางอารมณ์ต่างๆไปหมดแล้วนะไม่ถึงกับต้องได้ไปควบคุมไปสะกด จิตไว้อยู่นั้นไม่ใช่มันถ้ามันถ้าลอยตัวอยู่โดยลำพังอย่างนั้นมันไม่คิดไม่กรุงไม่แต่งอะไร ม, มันอิ่มอารมณ์ทั้งหลายแล้วเนี่ยใจอย่างนี้แหละจึงเหมาะสมที่จะเจริญปัญญาเราก็กำหนดใจอย่างนี้แล้บ่เนี่ เพ่งพิจารณาราคะโทสะโมหะอันละเอียดสุ ข, ขุมเข้าไปให้มันรู้รมันเห็น เ, เมื่อรู้มันแล้วก็กำหนดละมันไปแต่ถ้าหากว่าอาริยมรรคไม่สมบูรณ์บริบูรณ์มันก็ละไปได้ชั่วคราวชั่วระยะหนึ่งเพอเพมันก็เกิดขึ้นมาอีก ไม่ใช่ละทีเดียวแล้วมันขาดไปเลยไม่ใช่ภาวนาทีได้ทำใจสงบลงไปแล้วแล้วก็คน้นแล้วก็เพ่งพิจารณานี่ให้มันละเอียดละ อ, อเข้าไปนน <c oughs> เหมือนอย่างเขาดูแผนที่ของประเทศหรือของโลกนั่นแหละ ตอนดูทีแรกดูนครหลวงมันหยุดจุดไหนอย่างนี้มันก็คุ้ม ง, ง่ายดี อ, อ่ะแล้วดูจังหวัดล่ะนี่ก็ง่ายออดูไปนั่นจังหวัดนั้นนั่นจังหวัดนั้น อ, อ้าวันนี้ดูแต่ละจังหวัดมีกี่อำเภอบะเนี้ยลำดับอำเภอไปวันนี้เอาละเริ่มยุ่งยากขึ้นไปแล้ว อ, อืม เพราะมันมีหลายอำเภอแต่ละจังหวัด<ะ>เมื่อรู้จักอำเภอแล้วอย่างนี้ว่าจังหวัดนี้มีอยู่สิบอำเภออย่างนี้นะต่อาัปนี้ไปลําดับอำเภอนึงมีกี่ตำบลบ่เนี้มันก็ยิ่งยุ่งยากเข้าไปอีก<ะ>เมื่อรู้ว่าอำเภอนี่มีหกตำบลอย่างนี้เอาไเอาตำบลหนึ่งนี่มีกี่หมู่บ้านบนี้เนี่ย มันก็ยุ่งเข้าไปขวนั้นอีกต้องลําดับหมู่บ้านเอ้าหมู่บ้านหนึ่งๆอย่างนี้มีกี่หลังคาเรือนนั่นมันต้องได้แยกแยะต้องได้สำรวจการเอาละเอียดละโอหมู่บ้านนี่มีอยู่ร้อยหลังคาเรือนแลว้วพนนี้มีคนอาศัยอยู่ในร้อยหลังคาเรือนนี้กี่คนรวมหมดละ สมมุติว่ามีอยู่พันคนอย่างเนี้ยแล้วมาแยกออกแต่ละครอบครัวหนึ่งหนึ่งมีมีอยู่กี่คนอืมอย่างนี้แหละมันละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไป เ, เรื่อยๆเข้าไปจนถึงอาชีพจนถึงความเป็นอยู่อะไรตัวอะไรไป่ะ่นความละเอียดของโลกภายนอกมันก็ก็เป็นอย่างนั้นนะมันนี้ความละเอียดของภายในจิตใจนี่ มันก็ยิ่งละเอียดกว่านั้นไปอีกซ้อนั่นในให้พากันเข้าใจอย่าไปนิ่งนอนใจเราต้องทำความเพียรไปเรยเอยโดยเฉพาะเรื่องสมาธิเนี่ยสำคัญไม่ไน้อยน ะ, ะถ้าสมาธิไม่ดีไม่มั่นคงปัญญามันก็ไม่เกิด อันปัญญาเกิดจากการเรียนการจำไม่เสยน็นี่มันเอามาละกิเลสยังไม่ได้ละได้กแต่ส่วนห ย, ยาบๆอย่างว่านั่นเองส่วนที่จะละกิเลสอย่างละเอียดลงไปนี่มันต้องละได้จากการทำจิตให้เป็นสมาธิ <c oughs> จเจริญสมาธิให้ชำนิชำนาญให้มั่นคงจริงๆจึงมาจเจริญปัญญาอันละเอียดสุขขุมไปได้ มันเป็นอย่างนั้นข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี่นะมันเป็นขั้นขั้นตอนตอนไปอย่างนี้จนถึงขั้นละเอียดละ อ, อไม่เช่นนั้นมันจะเป็นละกิเลสขาดจากสันดานได้อย่างไรอ่ะมันละไม่ได้แต่ศาสนาอื่นนะ่ะเขาก็ละได้แต่กิเลสยำหยาบเท่านั้นเอง อย่างกลางอย่างละเอียดเนี่ยมันละไม่ได้เลยเพราะปัญญามันยังไม่ถึงไอสมาธิเขาทำได้แต่เขาไม่มีอุบายปัญญาแบนี้อ่ามันเป็นยังไงมีแต่ในพุทธศาสนานี่แหละเมื่อเจริญสมาธิให้เกิดให้มีขึ้นแล้วกดเจริญปัญญาต่อแบนี้นะเนี่ <c oughs> ไอการเจริญปัญญาพระศาสดาก็ยังสอน ให้เจริญโดยอนุโลมปฏิโลมอืแต่ลศาสนาอื่นเขาไม่มีไม่มีอนุโลมปฏิโลมเหตุดันบันทึงละกิเลสไม่ขาดอคําว่าอนุโลมปฏิโลมเนี่ยอนุโลมก็คือพิจารณาขยายออกไปเช่นพิจารณาร่างกายสังขารอย่างนี้พิจารณาร่างกายเนี่ยเพ่งพิจารณา เป็นส่วนเป็นส่วนออกไปกระจายออกไปเช่นผมก็ส่วนหนึ่งขนก็ส่วนหนึ่งเล็บก็ส่วนหนึ่งฟันก็ส่วนหนึ่งนังก็ส่วนหนึ่งอย่างนี้นะเอาไว้เยอะว่าต่างๆ่างมดนั่นก็เป็นส่วนเป็นส่วนออกไป น, นั่นเรียกว่าพิจารณาโดยอนุโลมบันนี้เมื่อเห็นอย่างนั้นแหะเพ่งพิจารณาดู กระจายอวัยวะร่างกายต่างๆออกไปอย่างว่านั่นเล้ววันนี้ทวนกระแสจิตเข้ามาถามตัวเองว่าที่ไหนที่ว่าตัว ต, วตนของเรานะนะ่ะมีอยู่ตรงไหนอย่างนี้นะมันก็ตอบตัวเองได้เลยว่าไม่มีตัวตนไม่มีมีแต่สภาว่าธาตุเหล่านั้นแหละบุญกรรมตกแต่งให้อบุญกรรมตกแต่งผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเหล่าเนี้ยตลอดอวัยวะทุกส่วน บุญกรรมตกแต่งจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนั่นเองเนี่ยทีนี้สภาวะธาตุเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนแตกดับไปเหมือนอย่างธาตุภายนอกนั่นเช่นต้นไม้ใบหญ้ามันนึงก็เกิดจากธาตุสี่นั่นเองเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ถึงเวลาแปรปวนแตกดับมันก็แตกดับลงไปนี่ธาตุขันธ์ที่บุญกรรมมาตกแต่ง ธาตุสี่ให้เกิดเป็นรูปคนรูปสัตว์อะไรขึ้นมาอย่างนี้เมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วมันก็แตกดับทำลายลงไปไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนอยู่ในนี้เลย